สปริญญาวาน 1. ปัจจุบันนวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบัน2 0งร อ, อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกําลังกําหนดรู้รูปขันบุคคลนั้นก็กําลังกําหนดรู้เวทนาขันใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดกําลังกําหนดรู้เวทนาขัน บุคคลนั้นก็กําลังกําหนดรู้รูปขันใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กําลังกําหนดรู้รูปขันบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังกําหนดรู้เวทนาขันใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กําลังกําหนดรู้เวทนาขันบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังกําหนดรู้รูปขันใช่ไหม วิจัชนาใช่ 2. องอติตวานป้าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตสองพเจอนุโลมปุจฉาบุคคลใดเคยกําหนดรู้รูปขันบุคคลนั้นก็เคยกําหนดรู้เวทนาขันใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดเคยกําหนดรู้เวทนาขันบุคคลนั้นก็เคยกําหนดรู้รูปขันใช่ไหม วิจัชนาะใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยกําหนดรู้รูปขันบุคคลนั้นก็ไม่เคยกําหนดรู้เวทนาขันใช่ไหมวิจัชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยกําหนดรู้เวทนาขันบุคคลนั้นก็ไม่เคยกําหนดรู้รูปขันใช่ไหมวิจัชนาะใช่ 3. อนาคตวาน ว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอนาคต208อนุโลมปุจฉาบุคคลใดจะ ก, กำหนดรู้รูปขันบุคคลนั้นก็จะ ก, กำหนดรู้เวทนาขันใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดจะ ก, กำหนดรู้เวทนาขันบุคคลนั้นก็จะ ก, กำหนดรู้รูปขันใช่ไหมวิจัชนาใช่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 ว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอดีต2 0งอก้อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังกำหนดรู้รูปขันบุคคลนั้นก็เคยกำหนดรู้เวทนาขันใช่ไหมวิจัติชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดเคยกำหนดรู้เวทนาขันบุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้รูปขั น, คค น, น, น, ขนใช่ไหมวิจัตชนาไม่ใช่ อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำหนดรู้รูปขันบุคคลนั้นก็ไม่เคยกำหนดรู้เวทนาขันใช่ไหมวิสัชนาอารหันตบุคคลไม่ใช่กำลังกำหนดรู้รูปขันแต่ไม่ใช่ไม่เคยกำหนดรู้เวทนาขันเว้นบุคคลผู้พร้อมเปลียงด้วยอรหัน ต, ตมักและอรหันตบุคคลแล้ว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 เว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมักและอระหันตะบุคคลแล้วบุคคลที่เหลือไม่เคยกำหนดปรุเวทนาขันและก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้รูปขัน 5. ปัจจุปันนานาคตาวาลว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอนาคต 2. องอนุลมุต ช, ชา บุคคลใดกำลังกำหนดรู้รูปขันบุคคลนั้นก็จะกำหนดรู้เวทนาขันใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดจะกำหนดรู้เวทนาขันบุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้รูปขันใช่ไหมวิจิชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังกำหนดรู้รูปขัน บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักกําหนดรู้เวทนาขันใช่ไหมวิตติชนาบุคคลเหล่าใดจักได้มรักบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังกําหนดรู้รูปขันแต่ม่ใช่จักไม่กําหนดรู้เวทนาขันอรหันตบุคคลและบุคคลผู้เป็นปุถุชนเหล่าใดจักไม่ได้มรักอรหันตบุคคลและบุคคลผู้เป็นปุถุชนเหล่านั้น ไม่ใช่กําลังกําหนดรู้รูปขันและก็ไม่ใช่จะกกําหนดรู้เวทนาขันปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จะกกําหนดรู้เวทนาขันบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังกําหนดรู้รูปขันใช่ไหมวิสัชนาบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตตมัตไม่ใช่จะกกําหนดรู้เวทนาขันแต่ มีใช่ไม่กำลังกำหนดรู้รูปขันอรหันตบุคคลและบุคคลผู้เป็นปุถุชนเหล่าใดจกไม่ได้มักอรหันตบุคคลและบุคคลผู้เป็นปุถุชนเหล่านั้นไม่ใช่จักกำหนดรู้เวทนาขันและก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้รูปขันหกอตีตานาฆตาวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตและที่เป็นอนาคต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 บุคคลใดไม่เคยกำหนดรู้รูปขันบุคคล น, นั้นไม่ใช่จะ ก, กำหนดรู้เวทนาขันใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดจักได้มรักบุคคลเหล่านั้นไม่เคยกำหนดรู้รูปขันแต่มิใช่ไม่กำหนดรู้เวทนาขันบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรักและบุคคลผู้เป็นปุถุชนเหล่าใดจักไม่ได้มรัก บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตะมักและบุคคลผู้เป็นปุถุชนเหล่านั้นไม่เคยกำหนดรู้รูปขันและก็ไม่ใช่จะ ก, กำหนดรู้เวทนาขันปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จะ ก, กำหนดรู้เวทนาขันบุคคลนั้นก็ไม่เคยกำหนดรู้รูปขันใช่ไหมวิจารนาอรหันต์ตบุคคลไม่ใช่จะ ก, กำหนดรู้เวทนาขัน แต่ไม่ใช่ไม่เคยกําหนดรู้รูปขันบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตะมักและบุคคลผู้เป็นปุถุนชนเหล่าใดจกไม่ได้มักบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตะมักและบุคคลผู้เป็นปุถุนชนเหล่านั้นไม่ใช่จะ ก, กําหนดรู้เวทนาขันและก็ไม่เคยกําหนดนหรู้รูปขันปริญญาวานจบขันธยมกจบ 3. อายตนะยมก 1. ปนติวานุเทศ 1. อายตนะสิบสองคือ 1. จักขายตนะ 2. โสตายตนะ 3. าคานายตนะ 4. ชิวหายตนะ 5. ากายายตนะ 6. ปรูปายตนะ 7. สดศัทธายตนะ 8. คันทายตนะ 9. รารสายัตนะ0ิโพธพายะตนะ 11. มนายตนะ 12. ธรรมายตนะ 1. ปัทโธธนาวานว่าด้วยการอธิบายคำของแต่ละบทอนุโลมสจักขุเป็นจักขายะตนะใช่ไหมจักขายัตนะเป็นจักขุใช่ไหมโสตะ เป็นโสตายตนะใช่ไหมโสตายตนะเป็นโสตะใช่ไหมคานะเป็นคานายตนะใช่ไหมคานายตนะเป็นคานะใช่ไหมชิวหาเป็นชิวหายตนะใช่ไหมชิวหายตนะเป็นชิวหาใช่ไหมกายเป็นกายายตนะใช่ไหมกายายตนะเป็นกายใช่ไหมรูป เป็นรูปายตนะใช่ไหมรูปายตนะเป็นรูปใช่ไหมสัทธะเป็นสัทธายตนะใช่ไหมสัทธายตนะเป็นสัทธะใช่ไหมคันทะเป็นคันธายตนะใช่ไหมคันทายตนะเป็นคันทะใช่ไหมรัะเป็นรัศายตนะใช่ไหมรัศายตนะเป็นรัะใช่ไหม โพธพะเป็นโพธพายตนะใช่ไหมโพธพายตนะเป็นโพธพะใช่ไหมมณะเป็นมณายตนะใช่ไหมมณายตนะเป็นมณะใช่ไหมธรรมะเป็นธรรมายตนะใช่ไหมธรรมายตนะเป็นธรรมะใช่ไหมปัจจ尼กะ 3. สสภาวธรรมที่ไม่เป็นจกักรุ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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นมรูปายตนะไม่เป็นรูปใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นศรัทธาไม่เป็นศัทธายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นศัทธายตนะไม่เป็นสัทธาใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะไม่เป็นคันทายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทายตนะไม่เป็นคันทะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นประสะ ไม่เป็นรัายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นรัายตนะไม่เป็นรัศใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโพธะะไม่เป็นโพธพายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโพธพายตนะไม่เป็นโพธะะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นมานะไม่เป็นมานายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นมานายตนะ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 เป็นจก triangle, ักขายัตนะใช่ไหมอายตนะเป็นโสตายตนะใช่ไหมจะกุเป็นจักขายัตนะใช่ไหมอายตนะเป็นคานายตนะใช่ไหมจะกุเป็นจักขายัตนะใช่ไหมอายตนะเป็นชิวหายตนะใช่ไหมละจะกุเป็นจักขายัตนะใช่ไหมอายตนะเป็นธรรมายตนะใช่ไหม โสตะเป็นโสตายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นจักขายตนะใช่ไหมโสตะเป็นโสตายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นคานายตนะใช่ไหมโสตะเป็นโสตายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นธรรมายตนะใช่ไหมคานะเป็นคานายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นจักหายตนะใช่ไหม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 ไม่เป็นมานายตนะใช่ไหมพึ่งขูกเป็นจกกนักรไนสามสุดทายตนะวานว่าด้วยการอธิบายอายตนะล้ว น, วนอนุโลมหกจักรคุเป็นอายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นจกักรุใช่ไหมโสตะเป็นอายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นโสตะใช่ไหมคานะ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 อายตนะเป็นสัทธะใช่ไหมคันทะเป็นอายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นคันทะใช่ไหมรัศเป็นอายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นรัศใช่ไหมโพธะเป็นอายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นโพธะใช่ไหมมณะเป็นอายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นมณะใช่ไหมธรรมะเป็นอายตนะใช่ไหม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 ไม่เป็นคันทะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นบรสะไม่เป็นอายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นบรสสะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโพธะะไม่เป็นอายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นโพธะะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นมณะไม่เป็นอายตนะใช่ไหม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 จักขุเป็นอายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นโสตะใช่ไหมจักขุเป็นอายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นธรรมะใช่ไหมโสตะเป็นอายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นจักขุใช่ไหมโสตะเป็นอายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นธรรมะใช่ไหมคานะเป็นอายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นจักขุใช่ไหม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 ใช่ไหมพึ่งผูกเป็นจกกนักะไนปนติวาระอุเทศจบหนึ่งปนติวารนิเทศหนึ่งปทโสธนาวานอนุโลมจักขายัตนะมูลกไน 10. อนุโลมปุชฉาจักขุเป็นจักขายัตนะใช่ไหมวิชชนาะทิพจักขุ ปัญญาจักขุเป็นจักขุแต่ไม่เป็นจกนะัจกขายตาตนะจกั ก, จกขายตจจ า, ายตะนะเป็นจักขุก็ใช่เป็นจักขายาตนะก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาจักขายาตนะเป็นจักขุใช่ไหมวิจัดชนาะใช่อนุโลมปุจฉาโสตะเป็นโสตายาตนะใช่ไหมวิจัดชนาะทิพัสโสตะตันหาโสตะเป็นโสตะ แต่ไม่เป็นโสตายตนะโสตายตนะเป็นโสตะก็ใช่เป็นโสตายตนะก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาโสตายตนะเป็นโสตะใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาคานะเป็นคานายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาคานายตนะเป็นคานะใช่ไหม วิจัชนาใช่อนุโลมปุจรฉาชิวหาเป็นชิวหายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาชิวหายตนะเป็นชิวหาใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉากายเป็นกายายตนะใช่ไหมวิจัชนาเว้นกายายตนะแล้วกายที่เหลือเป็นกายแต่ไม่เป็นกายายตนะ กายยตนาเป็นกายก็ใช่เป็นกายายตนาก็ใช่ปฏิโลมปุจฉากายายตนาเป็นกายใช่ไหมวิจตชนาใช่อนุโลมปุจฉารูปเป็นบรูปายตนาใช่ไหมวิจตชนาเว้นบรูปายตนาแล้วรูปที่เหลือเป็นรูปแต่ไม่เป็นบรูปายตนะบรูปายตนาเป็นรูปก็ใช่เป็นบรูปายตนาก็ใช่ ปฏิลโลมปุจฉารูปายตนะเป็นรูปใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาศัทธาเป็นศัทธายตนะใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสัทธายตนะเป็นสัทธาใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาคันทะเป็นคันทายตนะใช่ไหมวิสัชนาสีละคันทะ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 วิจัชนาอัทธรสธรรมรสวิมุตติรสเป็นรัศแต่ไม่เป็นรัายตนะรัายตนะเป็นรัก็ใช่เป็นรัายตนะก็ใช่ปฏิโลมปุ ช, ชาร์ายตนะเป็นรัศใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุ ช, ชาโพธพะเป็นโพธพายตนะใช่ไหม วิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโพธพายตนะเป็นโพธพะใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉามนะเป็นมนายตนะใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโมปุจฉามนายตนะเป็นมณะใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาธรรมะเป็นธรรมายตนะใช่ไหม วิจัชนาเว้นธรมมายตนะแล้วสภาวธรรมที่เหลือเป็นธรรมะแต่ไม่เป็นธรมมายตนะธรรมายตนะเป็นธรรมะก็ใช่เป็นธรรมายตนะก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะเป็นธรรมะใช่ไหมวิจัชนาใช่ปัจจนีกะ1 1เออนุโลมปุจฉา สภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นจักขายตนะใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโรมปุจชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขายตนะไม่เป็นจักขุใช่ไหมวิสัชนาทิพจักขุปัญญาจักขุไม่เป็นจักขายตนะแต่เป็นจักขุเว้นจักขุและจักขายตนะแล้วรูปที่เหลือไม่เป็นจักขุก็ใช่ ไม่เป็นจักขายตนะก็ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะไม่เป็นโสตายตนะใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตายตนะไม่เป็นโสตะใช่ไหมวิสัชนาทิพโสตะตันหาโสตะไม่เป็นโสตายตนะแต่เป็นโสตะเว้นโสตะและโสตายตนะแล้ว รูปที่เหลือไม่เป็นโสตะก็ใช่ไม่เป็นโสต totally ina, ina, ายตนะก็ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นคานะไม่เป็นคานายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นคานายตนะไม่เป็นคานะใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉา สภาวธรรมที่ไม่เป็นชิวหาไม่เป็นชิวหายาตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นชิวหายาตนะไม่เป็นชิวหาใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายไม่เป็นกายายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่ ปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายายตนะไม่เป็นกายใช่ไหมวิสัชนาเว้นกายายตนะแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นกายายตนะแต่เป็นกายเว้นกายและกายายตนะแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นกายก็ใช่ไม่เป็นกายายตนะก็ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูป ไม่เป็นรูปายตนะใช่ไหมวิจัชนะใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปายตนะไม่เป็นรูปใช่ไหมวิจัชนะเว้นรูปายตนะแล้วรูปที่เหลือไม่เป็นรูปายตนะแต่เป็นรูปเว้นรูปและรูปายตนะแล้วรูปที่เหลือไม่เป็นรูปก็ใช่ไม่เป็นรูปายตนะก็ใช่อนุโลมปุจฉา สภาวธรรมที่ไม่เป็นศรัทธาไม่เป็นศัทธายตนะใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นศัทธายตนะไม่เป็นศรัทธาใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะไม่เป็นคันทายตนะใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา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 วิสัชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นรสายตนะไม่เป็นรสะใช่ไหมวิสัชนาะอัทธรสธรรมรสวิมุตติรสไม่เป็นรสายตนะแต่เป็นรสะเว้นบรสะและรสายตนะแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นรสก็ใช่ไม่เป็นบรสายตนะก็ใช่ อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโผ พ, พัพะไม่เป็นโผพธพายตนะใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโพธพายตนะไม่เป็นโผพธพะใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นมณนะไม่เป็นมนายตนะใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา สภาวธรรมที่ไม่เป็นมานายตนะไม่เป็นมณะใช่ไหมวิจัชนาใช่ชนะอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมะไม่เป็นธรรมายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรมมายตนะไม่เป็นธรรมะใช่ไหม วิจัชนาเว้นธรมรมายตนะแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นธรรมายตนะแต่เป็นธรรมะเว้นธรรมะและธรรมายตนะแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นธรรมะก็ใช่ไม่เป็นธรรมายตนะก็ใช่ 2. องปัทสโธธนะมูลจักกวาลอนุโลมสิบสออนุโลมปุจฉาจักขุเป็นจักขายตนะใช่ไหม วิจัชนาที่พจักขุปัญญาจักขุเป็นจักขุแต่ไม่เป็นจักขายาตนะจักขายาตนะเป็นจักขุก็ใช่เป็นจักขายาตนะก็ใช่ปฏิโลมปุชฌาอายตนะเป็นโสตายาตนะใช่ไหมวิจัชนาโสตายาตนะเป็นอาญาตนะก็ใช่เป็นโสตายาตนะก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอายตนะแต่ไม่เป็นโสตายาตนะ อนุโลมปุชฌาจักขุเป็นจักขายตนะใช่ไหมวิจัชนะทิพจักขุปัญญาจักขุเป็นจักขุแต่ไม่เป็นจักขายัตนะจักขายัตนะเป็นจักขุก็ใช่เป็นจักายัตนะก็ใช่ปฏิโลมปุชฉาอายาตนะเป็นคานายัตนะใช่ไหมปฏิโลมปุชฌาอายาตนะเป็นธรรมายาตนะใช่ไหมวิจัชนะธรรมายาตนะ เป็นอายตนะก็ใช่เป็นธรรมายตนะก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอายตนะแต่ไม่เป็นธรรมายตนะอนุโลมปุจฉาโสตะเป็นโสตายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่เหลือเป็นอายตนะแต่ไม่เป็นธรรมายตนะอนุโลมปุจฉาธรรมะเป็นธรรมายตนะใช่ไหมวิจาชนาเว้นธรรมายตนะแล้ว สภาวธรรมที่เหลือเป็นธรรมะแต่ไม่เป็นธรรมายตนะธรรมายตนะเป็นธรรมะก็ใช่เป็นธรรมายตนะก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาอายตนะเป็นจักขายตนะใช่ไหมวิจชนาจักขายตนะเป็นอายตนะก็ใช่เป็นจักขายตนะก็ใช่สภาวธรรมที sheep, いい่เหลือเป็นอายตนะแต่ไม่เป็นจักขายตนะ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 ใช่ไหมวิสัชนามานายตนะเป็นอายตนะก็ใช่เป็นมานายตนะก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นนายตนะแต่ไม่เป็นมานายตนะผู้มีปัญญาพึงผูกเป็นจกกนักรในที่มีบทแต่ระบทเป็นมูลปัจจณิกะ 13. อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นจักขายตนะใช่ไหม วิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที ja iyim, ่ไ ja ม <gy> ja <hi> ่เป็นนายัตนะไม่เป็นโสตายัตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นจักหายัตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นนายัตนะไม่เป็นคานายัตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่ อน no. ja ุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นธรรมายตนะใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตไม่เป็นโสตายตนะใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นนายตนะไม่เป็นจักขายตนะใช่ไหม ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นธรรมายตนะใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นคานะไม่เป็นคานายตนะใช่ไหมปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นธรรมายตนะใช่ไหมวิสัชนาใช่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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นนายตนะไม่เป็นโสตายตนะใช่ไหมละปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นนายตนะไม่เป็นมนายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่เมื่อผูกเป็นจักรนายแล้วพึงเพิ่มคำว่าอามันตาใช่ทุกๆุกบทสสุดทายตนะวานอนุโลมสิบสอนุโลมปุจฉา จักขุเป็นอายตนะใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอายตนะเป็นจักหายตนะใช่ไหมวิจัชนาจักหายตนะเป็นอายตนะก็ใช่เป็นจักหายตนะก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอายตนะแต่ไม่เป็นจักขายตนะอนุลมปุจฉาโสตเป็นอายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่ คานะชิวหากายรูปสัทธะคันะะทะพระสัพพะมณนะละอนุโลมปุจฉาธรรมะเป็นอายตนะใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอายตนะเป็นธรมมายตนะใช่ไหมวิจัดชนาะธรรมายตนะเป็นอายตนะก็ใช่เป็นธรรมายตนะก็ใช่ สภาวธรรมที่เหลือเป็นอายตนะแต่ไม่เป็นธรรมายตนะปัจจณีกะ15าอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นอายตนะใช่ไหมวิจัชณาเว้นจักขุแล้วอายตนะที่เหลือไม่เป็นจักขุแต่เป็นอายตนะเว้นจักขุและอายตนะแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นจักขุก็ใช่ ไม่เป็นอายตนะก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นจักขายตนะใช่ไหมวิตัชฌนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะไม่เป็นอายตนะใช่ไหมวิตัชฌนาเว้นโสตะแล้วเว้นคานะแล้วเว้นชิวหาแล้วไม่เป็นอายตนะ อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายไม่เป็นอายตนะใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นกายายตนะใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปไม่เป็นอายตนะใช่ไหมวิจัดชนา เว้นรูปแล้วเว้นสัทธาแล้วเว้นคันธะแล้วเว้นรัสะแล้วเว้นโพธพละแล้วไม่เป็นอายตนะปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นนายตนะไม่เป็นโพธพายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นมรณะไม่เป็นอายตนะใช่ไหมวิจัชนา เว้นมณะแล้วอายตนะที่เหลือไม่เป็นมณะแต่เป็นอายตนะเว้นมณะและอายตนะแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นมณะก็ใช่ไม่เป็นอายตนะก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นมนายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมะไม่เป็นอายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่ ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นธรรมายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่ 4. สุดทายตนะมูลจั ก, กรวาลอนุโลม16อนุโลมปุจฉาจักขุเป็นอายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอายตนะเป็นโสตายตนะใช่ไหมวิจัชนา โสตายตนะเป็นอายตนะก็ใช่เป็นโสตายตนะก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอายตนะแต่ไม่เป็นโสตายตนะอนุโลมปุจฉาจักขุเป็นอายตนะใช่ไหมวิจชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอายตนะเป็นคาอายตนะใช่ไหมละปฏิโลมปุจฉาอายตนะเป็นธรรมายตนะใช่ไหม วิสัชนาะธรรมายตนะเป็นอายตนะก็ใช่เป็นธรรมายตนะก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอายตนะแต่ไม่เป็นธรรมายตนะอนุโลมปุจฉาโสตะเป็นอายตนะใช่ไหมวิสัชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉาอายตนะเป็นจักขายตนะใช่ไหมไม่เป็นจักขายตนะละ ปฏิโลมปุจฉาอายตนะเป็นธรมมายตนะใช่ไหมและไม่เป็นธรมมายตนะอนุโลมปุจฉาคานะเป็นอายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอายตนะเป็นจักขายตนะใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอายตนะเป็นธรมมายตนะใช่ไหมและไม่เป็นธรมมายตนะและ อนุโลมปุจฉาธรรมะเป็นนายตนะใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอายตนะเป็นจักขายตนะใช่ไหมและปฏิโลมปุจฉาอายตนะเป็นมนายตนะใช่ไหมวิจัดชนามนายตนะเป็นนายยตนะก็ใช่เป็นมนายตนะก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอายตนะแต่ไม่เป็นมนายตนะ พึงผูกเป็นจั ก, กรนายปัจจานีกะสิบเจ็อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขคูไม่เป็นอายตนะใช่ไหมวิตัชชาเว้นจักรคแล้วอายตนะที่เหลือไม่เป็นจักขคูแต่เป็นอายตนะเว้นจักรคและอายตนะแล้วสภาวธรรม ท, ที่เหลือไม่เป็นจักขคูก็ใช่ไม่เป็นอายตนะก็ใช่ปฏิโลมปุจฉา สภาวธรรมที่ไม่เป็นนายตนะไม่เป็นโสตายทะนะใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นอายตนะใช่ไหมวิจัชนาเว้นจักขุแล้วอายตนะที่เหลือไม่เป็นจักขุแต่เป็นอายตนะเว้นจักขุและอายตนะแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นจักขุก็ใช่ไม่เป็นอายตนะก็ใช่ ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นนายตนะไม่เป็นคานายตนะใช่ไหมละปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นนายตนะไม่เป็นธรรมายตนะใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะไม่เป็นนายตนะใช่ไหมวิสัชนาเว้นโสตะแล้วเว้นคานะแล้ว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 วิจัตชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นนัยตนะไม่เป็นธรรมายตนะใช่ไหมวิจัตชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมะไม่เป็นอายตนะใช่ไหมวิจัตชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นนัยตนะไม่เป็นจักขายตนะใช่ไหม วิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมะไม่เป็นอายตนะใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นโสตายตนะใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นนายตนะไม่เป็นมานายตนะใช่ไหม วิสัชนาใช่พึงผูกเป็นจักรนายปนัตติวารนิเทศจบ